3. ปัตตวรษป 8. อจเจกจีวรสิกขาบทว่าด้วยอัจเจกจีวรเรื่องมหาอามาต ถ, ถวายผ้าจำนำพรรษาห4 6อสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันรามของอนาถาบินที่กะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นมหาอามาตคนหนึ่งจะไปค้างคืนต่างถิ่นส่งโทษไปหาภิกษุว่าพอพระคุณเจ้าทั้งหลายมาเถิดกระผมจะถวายผ้าจำนำพรรษาภิกษุทั้งหลายรังเกียจว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตผ้าจำนรพรรษาแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาจึงไม่ไปมหาอามาตย์ตำหนิประนามโพลธนาว่าทำไมพระคุณเจ้าทั้งหลายเมื่อเราส่งโทษไปจึงไม่มาเล่า เราจะเดินทางไปรบจะเป็นตายก็ยากจะรู้ได้พวกพิสูจน์เด็กทราบข่าวที่มหาอมาตยำหนีประนามโพลธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ